เรื่องเจ้าหน้าที่รักษาผ้าในเรือนคลังสมัยนั้นจีวในเรือนคลังของสงไม่มีผู้ดูแลภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติห้าอย่าง